Thank you. น, นี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วนะปีใหม่ทั้งทีนะก็ขอให้ใจเราใหม่ด้วยนะหากว่ามีอารมณ์อกุศลใดๆนะที่ยังค้างค า, าใจอยู่นะหรือว่าหมักหมมสะสมไว้ในใจก็ควรชำระนะให้มันออกไปจากจิตใจ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าอย่าปล่อยใจให้ จมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่ามันจะเพิ่งเกิดขึ้นนะเมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วหรือปีไหนๆก็ตามให้อิสระกับจิตใจของเรานะอย่าให้ใจของเราถูกพัฒ น, นาการด้วยอดีตไม่ว่าอดีตนั้นนะจะทำให้เจ็บปวด เพียงใดก็ตามอาจจะเป็นความสูญเสียความผิดหวังความผิดพลาดหรือว่าการถูกกระทายังไม่เป็นธรรมก็แล้วแต่เพราะหากว่าใจเรายังหมกบุญ น, นะอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตแม้จะพยายามผลักไสมันเพียงใดก็ตาม จะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นโซ่เป็นพันธนาการนะที่ล่ามใจเราเอาไว้ทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้นะมันก็ต้องทำใจของเรานะไม่ให้ถูกพันธนาการนะด้วยสิ่งใดก็ตามโดยเฉพาะที่เป็นอดีตนะสมัยที่ หลวงพ่อโ ต, โตนะยันยังมีชีวิตอยู่ก็คือประมาณรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่ห้าเนี่ยมีคราหนึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมาจคู่แสดงเทศธรรมาจคู่นะกับท่านเจ้าคุณอีกท่านหนึ่งนะท่านเจ้าคุณธรรมาอุ ด, ดมแห่งวัดโพและการเทศธรรมาจคู่นี้ก็เป็นธรรมเนียมแต่โบราณ บางทีก็สลับกันสลับกันเทศหรือบางทีก็มีการโต้กันด้วยสำนวนมีคราวหนึ่งท่านเจ้าคุณอิโดมก็เทศเป็นกรอนนะว่าภายเถรนพ่อายอตลาดจะวายะตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วก็หยุดเท่านี้นะเพื่อให้หลวงพ่อโตท่านกล่าว ตอบถ้าตอบดีก็ถือว่าได้รับคำชมนะแต่บางคนก็ตอบไม่ได้นะก็ถือว่ า, าถ้าทางโลกถือถือว่าแพ้ที่ท่านเจ้าพื้นหลก็ทิ้งไวนะ้อย่างนี้นะพายจนล้พ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าคนฟังก็คอยดูว่าหลวงพ่อโตท่านจะกล่าว ตอบอย่างไรหลวโตนั่นก็ตอบว่าก็โซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขนะจะพายไปได้อย่างไรนะับขอเจ้าก็เป็นการกล่าวแก้ที่อจครบถ้วนนะทั้งสํานวนแล้วก็เนื้อหาก็หมายความว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะท่านเจ้าคุณตมก็พยายามบอกว่าเนี่ยคนเราต้องรีบนะต้องรีบที่จะทำนะอย่าปล่อย เวลาให้เปล่าประโยชน์นะพราะมันงั้นจะสายไม่ทันการอันนี้ก็เหมาะสำหรับาการที่เทศกาลแบบนี้นะก็ให้มองไปข้างหน้านะอะไรที่ควรทำก็รีบทำซะแต่ครนี้หลวงพ่อโตท่านก็พูดเตือนไว้ว่าคนเราไม่สามารถจะทำอะไรได้หากว่า ใจเราเนี่ยยังถูกล่ามไว้นะโซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขะไนะถูกล่ามด้วยอะไรนะถูกล่ามด้วยอดีตก็ได้โดยเพราะาสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ฝังอยู่ในความทรงจาเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเป็นโซ่นะเป็นประแจนะที่เราจําจเป็นนะจะต้อง แก้หรือไขให้มันหลุดเราถึงจะก้าวไปข้างหน้าและทำสิ่งที่ควรทำได้อดีตเนี่ยนะมันแม้ว่าจะาเจ็บปวดอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเรานะว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าว่าเร า, อาคอยคุ้นคิดถึงมัน ด้วยความอาลัยก็ดีด้วยความเสียใจด้วยความโกรธแค้นเนี่ยมันก็จะคอยชุดคอยดึงใจเราไนี่ยมาให้สามารถนะมองไปข้างหน้าหรือก้าวเดินไปได้เลยจากการที่นะเราจะเราจ ะ, ะละทิ้งมันไปเนี่ยมันก็ไม่หมายความว่าเราต้องพยายามลืมมันยิ่งพยายามลืมมันเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ยิ่ง เข้ามามีทพลครอบงับจิตใจเรามากขึ้นยิ่งเราผักสายมันมันก็ยิ่งเกาะกลุ่มจิตใจเราเราไม่จำเป็นต้องลืมนะเพียงแต่เรารู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันนะเวลาใจเนี่ยมันวนนึกกลับไปนึอดีต ก, ก็ให้มีสติรู้เพียงแค่รู้เท่านั้นหละนะว่าใจ <c oughs> ใจเผอคิดไปอดีต <c oughs> จิตเราก็จะหลุดเป็นอิสระได้ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเพลิคิดไปนึกถึงอดีต ท, ทั้งที่มันเจ็บปวดมันทิ่มแทงใจเพราะตอนนั้นเราหลงเราเพลิดสิ่งที่จะแก้หรือช่วยทําให้ไม่เพลอได้ก็คือการมีสติ <c oughs> ความรู้ตัวความรู้ตัวอย่างเดียวยก็ช่วยทําให้นะอะไรที่เคยหมกมุ่นนะมัน ปลดมันวางลงได้คราวนี้เมื่อเราสามารถที่จะวางมาลงได้เนี่ยไม่ปล่อยให้มันมาเกอะกลุ่มจิตใจเนี่ยเรายังสามารถจะทำได้มากกว่า น, นั้นนะก็คือหาประโยชน์จากมันาการที่เราจะย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อใคร้ครวนนะทบทวนอันนี้ไม่เป็นสิ่งเสียหายนะมันไม่ใช่เป็นการ ล่ามจิตใจไว้กับอดีตมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันอนดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะเราวางมันไปจากใจแล้วนะแต่เรายัางสามารถคลคยขวมันได้จริงเราจะคลคยวมันแล้วก็ต้องวางมันลงก่อนนะเราจะมองอะไรให้ได้ชัดเนี่ยนะเราก็ต้องวางมาไว้ข้างหน้าเราถึงจะมองมันได้แต่ถ้าเราแบกมันเอาไว้ข้างหลังเราจะมองมันได้อย่างไรหรือเรา เราปลูกมันไว้ติดมันไว้กับตัวเราเนี่ยเราจะมองเห็นมันชัดเจนได้อย่างไรก็ต้องวางมันลงก่อนแล้วเราถึงจะได้พิจารณาทบทวนใคร่ครวนประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายนะสุขหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมเนี่ยมันรู้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้าว่าเรารู้จักมองอันดีที่เจ็บปวดนะก็เหมือนกันนะเรา ไม่ควรจะนอกจากนอกจากเราจะวางมันลงนะไม่ปล่อยให้มันไม่แบกมันเอาไว้นอกจากเราจะปลดมันออกไปจากจิตใจแล้วก็ต้องหาประโยชน์จากมันด้วยการพิจารณาใคร่ครวญอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คงเป็นปีที่มีเหตุการณ์หลายอย่างที่สร้างความรู้สึกนะย่มแย่ผิดหวังเศร้าโศกเสียใจโกรธเคือง แต่ว่าก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะเรากลับมาใคร่ควรวญดูนะว่ามีอะไรที่มันจะสอนเราได้บ้างนะหรือว่ามีอะไรที่เราทําผิดทาําพลาดที่จะต้องแก้ไขมันเหมือกนก็นทุูเรียนนะะความทรงจําหรืออดีตที่เจ็บปวดเนี่ยเหมือกนก็นทุเรียนทุเรียนมันมีน้ําแหลมนะถ้าเรากอดมันเอาไว้นะยิงกอดไวน้นั่นเท่าไหร่เนี่ย เราก็ยิ่งเจ็บนะมันก็จะน้ำของมันก็จะทิ่มนะแทงเราแต่ถ้าเราทิ้งมันไปเลยนะก็ถือว่าเสียประโยชน์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เรียนถ้าเราเสียเวลาผ่ามาสักหน่อยนะมันก็จะเราก็จะได้เนื้อนะที่อร่อยนะที่หวานกอดไว้แน่นๆนะมันก็ไม่ใช่ปล่อยมันทิ้งไปเลยหันหลังให้มันเลยนะ อันนั้นก็ไม่ถูกนะเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้นะถ้าเรารู้จักมองนะรู้จักหารู้จักเห็นประโยชน์จากมันอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะจากประสบการณ์ที่ผ่านไปด้วยซึ่งก็ทําให้เราสามารถจะเริ่มต้นนะปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปีใหม่นีนนะ้ก็มีไว้เริ่มต้นนะก็มีไว้เริ่มต้น หลังจากที่เราฟันฝนะ่าเหตุการณ์ต่างๆมานะตลอดทั้งปีมาถึงวันนี้ก็เริ่มต้นใหม่เรียกว่นนับหนึ่งใหม่นะควรหาประโยชน์จากปีใหม่ด้วยการใช้โอกาสนี้เริ่มต้นใหม่อะไรที่ทำผิดพลาดไปแล้วนะก็อย่าไปหมดแต่เศร้าโศกเสียใจหรือว่าท้อแท้ท้อถอยหากว่าเราล้มไปแล้วนะก็ ถ้ายังไม่ลุกนะก็ควรจะใช้นะวันขึ้นปีใหม่นี่แหละนะในการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นทางสิ่งใหม่อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะกว่าเดิมได้ใช้ปีใหม่ให้เป็นประโยชน์ในทางนี้นะเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าจะหมายถึงการาลุกขึ้นมา ไม่ยอมจมอยู่กับความล้มเหลวนะที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือว่าเริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะที่คิดอยากจะทำเสธีหลายคนก็มีความตั้งใจนะว่าจะทำสิ่งดีๆหลายอย่างอยากจะออกกาลังกายสม่ำเสมออยากจะทำสมาธิภาวนาเป็นประจำ นะอยากจะให้เวลากับคนรักให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือพ่อแม่แต่ก็ไม่ค่อยได้ทำก็ผัดผ่อนไปเรื่อยนะนั้นปีใหม่เนี่ยนะมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะเริ่มต้นเริ่มต้นทาเสถีใรถ้าเราพยายามใช้ปีใหม่เนี่ยนะให้มันถูกความหมายนะ คือไม่ใช่แค่เฉลิมฉลองอย่างเดียวนะแต่ว่าใช้มันในการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเป็นการล้างไพ่ใหม่นะหากปีที่แล้วนี่มันวุ่นวายมันมันมันยุ่งเจิงหรือว่ามันผิดพลาดอย่างไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับว่าเราจวได้แต่ไพ่ที่ไม่เคยดีและแถม เอาแต่บนโบยวยวายตีโพยตีพายที่ได้ไพ่ไม่ดีก็เลยหัวเสียไม่สามารถจะเล่นให้มันให้มันได้เรื่องแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วพีอพ่ อ, อ๋ตอนนี้ก็ถึงวเวลาต้องล้างไพ่กันใหม่และนะ้วปีใหม่นี้เขาเป็นโอกาสที่เราจะได้ล้างไพ่แล้วก็เริ่มต้นใหม่กลับมาแก้ตัวใหม่แล้วขณะเดียวกันไอ้ที่ไม่เคยทําสิ่งดีๆที่ไม่เคยทํานะก็เริ่มต้นทำเสถี ในวันขึ้นปีใหม่หรือเอาวันขึ้นปีใหม่นี่แหละนะเป็นจุดตั้งตน้นลองอถามดูนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ถามใจเราว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำก็ใชนะ้วันขึ้นปีใหม่นี่แหละนะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำสิ่งดีๆนะเสียที ภาษาฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้ในโอกาสนี้ก็เเลย resolution นะ resolution ก็คือการนะตั้งจิตตั้งใจนะหรือว่าการตั้งปณิธานคนเราจะตั้งปณิธานนะทำสิ่งดีๆได้ดนเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยโอกาสอาศัยเวลานะ ถ้าเป็นชาวุู้สมัคร ก, ก็อาจจะใช้ช่วงเข้าบรรษานะวันเข้าบรรษานี่เออเราจะทำสิ่งดีๆอะไรบ้างนะอธิษฐานอธิษฐานในความหมายที่ว่าไม่ได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะแต่ว่าทำตามความหมายที่แท้นะในภาษาบาลีก็คือตั้งจิตแน่วแน่นะที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าหลายสิ่งก็ได้นะอธิษฐานดีวนี้เราเ ใช้อธิษฐา น, นในความหมายที่ปิดนะก็คือข อ, อตั้งใจอธิษฐานขอให้เทพ ย, ยดาโดนบันดาลให้เราประสบะโชคดีมั่งมีสรีสุขอะไรทำนองเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่อธิษฐานในความหมายที่ถูกต้องนะอธิษฐานนี่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งอขึ้นชื่อว่าบา ร, รมีแล้วเนี่ยก็คือของดีที่ต้องทำาแล้วก็เป็นของดีที่ทำแล้วนี่จะมียนิสงอย่างยิ่งยวด ปีใหม่ก็เป็นโอกาสหนึ่งเหมือนกันนะที่เราจ ะ, ะตั้งเจอธิษฐานว่าจ ะ, ะทำสิ่งดีๆที่อาจจะผัดผ่อนมาปีแล้วปีเล่าหรือว่าครั้งแล้วครั้งครั้งเล่านะก็ให้ทำตั้งใจจะทำไม่ต้องมากนะไม่ต้องมากนะไม่ต้องยิ่งใหญ่เพียงแต่ ขอให้มันทำได้แล้วก็ทำบ่อยๆทำเป็นอา จ, จิ น, นสิ่งที่สิ่งที่ยากเนี่ยนะถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นแลวถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าไรหรือว่าเป็นกําลังให้กับเราในการทำสิ่งที่ยากได้มันก็เหมือนกับการเดินทางไกลเนะเดินทางไกลมันจะไกล กี่สิบกี่ร้อยกิโลไม่ก็แล้วแต่นะมันก็เริ่มต้นจากการที่เราเดินก้าวแรกในถ้าเราเดินก้าวแรกแล้วถามใจแล้วว่าเออเดินต่อแด้อีกไหมก้าวที่สองถ้าเดินก้าวที่สองได้ก็เดินต่อก้าวที่สามก้าวที่สี่ไอ้ก้าวเล็กๆแต่และก้าวนี่แหละนะที่มันจะทำให้เราไปถึงจุดหมายได้อันนี้คนที่เดินธรรมยาตรานี่ก็จะมีประสบการณ์นะแล้วก็เข้าใจดีนะว่า ในการที่เราจะไปถึงจุดหมายที่ยาวไกลได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะก้าวเล็กๆอันนี้พูดถึงการเดินแล้วเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยหลายคนก็คงจะมีจุดหมายนะจุดหมายที่จะทำหรือจุดหมายของชีวิตนะที่อยากจะไปถึงอันนี้จาเป็นที่เราต้องตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ำนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าไม่ว่าจุดหมายจะอยู่ไกลอย่างไรนะ ก็ให้ใจเอยู่กับปัจจุบันใจเอยู่กับปัจจุบันอันนี้รวมไปถึงการที่เรามองเรามองปีนี้หรือมองไปข้างหน้าหลายคนก็มีความวิตกกังวลนะปีที่เรากำลงังกำลังจะเดินฟันฝ่าไปปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะทั้งใน าทางส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมหรือแม้กระทั่งในระดับโลกนะที่มันทําให้หลายคนผิดหวังทําให้เราเสียทําให้เศร้าโศกเสียใจพอมองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นโดยเฉพาะคนที่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะหรือว่าติดตามเหตุการณ์สาการโลกเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยปีนี้นะปีหกศูนย์เนี่ยนยีมันยังปีที่ มีอะไรยุ่งยากตามมามันเหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นสัญญาณบอกบอกว่าพายุนะพายุกําลังก่อตัวขึ้นแล้วก็อาจจะโหมกระหน่าก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรืออาจจะรวมถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศเราก็จะไปกังวลนะกับสิ่งที่จะมาไม่ถึงนะมากเกินไป ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ใส่ใจนะเรารับรู้นะเราคาดการเพื่อที่จะได้เอามาเตือนใจให้เราไม่ประมาทอะไรที่เราจะควรทำเพื่อเตรียมตัวเอาไว้นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทากิจนะเรามองไปข้างหน้าแล้วเราก็รู้ว่ามันอาจจะเกิดอันตรายอย่างไรนะมันจะเกิด ความเสี่ยงอย่างไรนะก็ให้ตระเตรียมเอาไว้ทำกิจแล้วก็อย่าลืมทำจิตด้วยนะก็คือว่าอย่าไปวิตกกัมันมากเกินไปนะมีงานอะไรที่จะต้องทำนะก็ทำนะมีแผนอะไรที่จะจะต้องทำให้ให้หมารุ่นล่วงนะเราก็ทำนะแต่ว่าไม่ไม่วิตกกังวลเมื่อกี้เราก็สวดนะสาธยายเนี่ย พุทภาษิตตอนหนึ่งที่บอกว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นข้อคิดที่ดีมากนะสำหรับพวกเราในการพิจารณาในโอกาสขึ้นปีใหม่นะอนดีตที่ผ่านไปแล้วแนละ้วก็ไม่ไม่ตามคิดด้วยอะไรนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เอามาใคร่ครวญ น, นะ เมื่อเราคิดก็คิดด้วยใจที่สงบนะมีสติอันนั้นแหละจึงจะ ก, กลายเป็นการใคร่ครวนนะมันต่างจากการคร่าครวนนะคร่าครวนเนี่ยคือการคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรนะจิตใจมันกลายเป็นธาตุหรือถูกพันธนาการด้วยอดีตแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอดีตอย่างใคร่ครวนเนี่ยเรากลาลังใช้มันนะไม่ใชใ่มันใช้เรา อดีตไม่ก็อดีตเนี่ยมันหลายอย่างมันจะคอยปลุกปั่นให้เราเนี่ยหวนคิดถึงมันบ่อยๆมันบังคับจิตบังคับใจนะให้จมมกมุ่นอยู่กับมันแล้วก็สามารถจะบงการให้เราเนี่ยรักษาประคับประคองหลออ้อมหรือก็พิทักษ์มันเอาไว้ไม่ให้หลุดไปจากใจอันนั้นแต่ยการใคร่ครวญนะใคร่ครวญนี่เรากําลังใช้มันนะถ้าคร่มครวญเนี่ยมันกําลังใช้เรา มันกำลังบงการเรานะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาจะกินมันก็บงการเราให้คิดถึงมันนะเวลาจะนอนมันก็บงการให้เราคิดถึงมันแต่ถ้าเราใคล่ครวนเนี่ยถึงเวลากินเราก็กินถึงเวลานอนเราก็นอนไม่มีสิ่งเหล่านี้มารบกวนจิตใจก็คร่ครวนนะอดีตแล้วก็มันอมองอนาคต ด, ด้วยด้วยการมีสติวิจารยณ ไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังนะยังไม่เกิดขึ้นเรามองอนาคตนะถ้าเรามองด้วยใจสงบที่ทำได้นะเรามองเพื่อที่จะวางแผนสำหรับการรับมือเตรียมตัวรับมือกับมันมันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเกิดขึ้นเราก็พร้อมแต่ใครที่ยังไม่เกิดเราก็ไม่วิตกกังวล น, นะเราก็ทาด้วยใจที่เป็นปกติ การทำงานก็เหมือนกันนะการทำงานก็ขอให้เรารู้จักการวางจิตวางใจให้เป็นด้วยนะถ้างานหลายคนเนี่ยทุกวันนี้มีความเครียดมีความกังวลมากกับเรื่องงานนะปีนี้นะหลายคนก็คงจะมีงานต่างๆที่จะต้องจัดการบางอย่างก็ตกค้างมาจากปีเก่าพอนึกถึงงานหลายคนก็กังวล นะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่วัดพอคิดถึงงานนะใจก็วิตกคนะอยวิตกกังวลวนะเป็นเป็นร่างเงาของความทุกข์ใจเนะี่ยที่เติบกับคนนะเป็นอันมากในปัจจุบันกวางใจให้เป็นนะถ้าหากว่าเราจะาคิดว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรจะวางวางแผนกับมันอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าให้มันมาคอยสร้างความ ทุกให้กับเรานะถ้ามันยังไม่เสร็จนะก็อย่าไปอย่าไปทุกข์กมันนะทำเต็มที่นะแต่ถึงเวลาก็ต้องรู้จักวางด้วยที่จริงระหว่างที่ทำานะก็วางไปในตัวด้วยก็ทำได้นะเช่นอรอหว่งที่ทำงานนะเราก็อยู่กับงานไม่ไปนึกถึงผลสาเร็จนะหรือผลที่จะตามมาว่าจะเป็นอย่างไร ผลนั้นมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมากมายซึ่งเราไม่อาจควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือความเพยายามียรพยายามของเราอย่างมีคําพูดที่เป็นภาษาจีนว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จอยู่ที่ฟ้าฟ้าในที่นี้ก็หมายถึงเหตุปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งถ้าพูดแบบพูดก็คือมันเป็นเรื่องของตถาถตาเป็นเช่นนั้นเอง สิ่งที่เราทำได้นะก็คือทำปัจจุบันให้ดีนะทำความเพียรให้เต็มที่ส่วนผลจะออกเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมันมันยังไม่เสร็จนะแต่เราก็ไม่ได้ทุกอะไรนะอาจจะทำใจเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้เป็นภาระ ก, กับเราเลยก็ได้เมื่อสัง้าสิปีก่อนนะหลวงหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมีการมีแผนมีโครงการก่อสร้าง นะอาคารต่างๆหลายแห่งเช่นลงมหรสรศทางวิญญาณพอสร้างเสร็จท่านก็มาขยับสร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวาธรรมนาวาหรือที่คนสวมเรียกว่าเรือไว้เป็นที่ทำวัดเวลาฝนตกไปที่เก็บน้ำอาคารแต่ละหลังเนี่ยใช้เวลานา น, นพอใช้กำลังของพระเนนเป็นหลักเขาทำไปทีละนิดทีละหน่อยใช้เวลาหลายปี ทอมนาวาก็เหมือนกันนะหลายปีมีครามหนึ่งลูกศิษย์ก็มากราบนะท่านแล้วก็ถามเรื่องว่าเนี่ยเรือเนี่ยสร้างเสร็จหรือยังท่านก็ตอบว่าเสร็จแล้ ว, ล, วลูกศิษย์คนนั้นก็แปลกใจเพราะว่าเมื่อสองสามเดือนก่อนนะก็มาสวนโมร์แล้วก็ไปดูเรือก็ยังสร้างได้ไม่ถึงครึงนะ่งทําไมผ่านไปแค่สองสามเดือน สงพ่อท่านว่าเสร็จแล้วนะก็เลยไปดูนะปรากว่าก็ยังคืบหน้าไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองก็เลยสงสัยกลับมาถามท่านา อ, อาจารย์พุทธาวเอ้าททำไมอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วมันยังมันไปไม่ถึงไหนเลยท่านก็หักว่าเราก็บว่าเสร็จแล้วนยะเสร็จทุกวันนะวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมารื่นนี้ก็เสร็จนะ นะลูกศิษย์ก็คงงงนะตกลงหมายค่อยยังไงท่านพูดเนี่ยท่านหมายความว่าธรรมดาคนเราเวลาทําอะไรเสร็จเนี่ยใจก็จะสบายโปร่งโล่งนะเบาใจของท่านเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นแหละถึงแม้ว่าตัวตัวงานเนี่ยนะมันยังไม่เสร็จนะคือตัวอาคารนะยังไม่เสร็จนะแต่ว่าใจท่านเนี่ยวางมันลงจากใจแล้ว วางงานลงจากใจเวลาท่านทํางานเนี่ยท่านก็ทําเต็มทีนะ่แต่เวลาถึงเ ว, เวลาพักถึงเวลาเลิกงานนะท่านก็วางไม่ใช่วางเครื่องไม้เครื่องมือลงจากมือเท่านั้นนะแต่วางงานลงจากใจด้วยมีความรู้สึกเหมือนคนที่ทําเสร็จแล้วนะวันรุ่งขึ้นก็ไปทําใหม่นะนนเราจะลองทําใจแบบนี้ดูก็ได้นะขณะที่เรานะีมีงาน มากมายที่จะต้องทำในปีนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเบานะเหมือนกับว่ามันเสร็จแล้วนะเดินทางอย่ามัวแต่กังวลว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงให้รู้สึกว่าเออมันถึงทุกขณะหรือว่าถึงทุกก้าวนะทำงานก็เสร็จทุกขณะได้เหมือนกันนถ้าเราวางใจแบบนี้นะ การทํากิจเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราแล้วคนเดี๋ยวนี้ทํากิจเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำจิตเท่าไหร่งานก็เลยกลายเป็นภาระกลายเป็นอุปสรรคเอย่าว่าแต่งานเลยเดี๋ยวนี้การลเล่นนะหรือว่าการพักผ่อนมันก็กลายเป็นการสร้างความเครียดให้กับผู้คนนะเพราะว่าวางจิตวางใจไม่เป็นพูดถึงปีใหม่เนี่ยก็มันมีสำนวนหนึ่งนะที่ เราดีนเป็น ป, ประจำนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ <c oughs> เมื่อเมื่อวานนะก็ต้อนรับปีใหม่กันทั้งคืนนะเรียกว่าทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเลยอาจจะต่อเนื่องมาถึงตอนเช้านี้ก็ได้หลายคนก็อาจจะมีแผนว่าจะจ ะ, จะทําอะไรที่มันเพลิด <c oughs> เพลินเจริญใจเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะอยากจะ แน่ก็คือว่าถ้ า, าจะต้อนรับปีใหม่ทั้งทีเนี่ยนะก็ควรจะต้อนรับทุกอย่างที่เป็นของปีใหม่ด้วยตอนนี้ปีใหม่คือปีนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องเราควรที่จะยอมรับนะต้อนรับหรือยอมรับทุกอย่างนะที่เป็นของปีใหม่หรือของปีนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือล้ายนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเจริญหรือความเสื่อมต้อนรับ ปีใหม่ก็ให้มันเปการต้อนรับจริงๆนะไม่ใช่ว่าต้อนรับบางอย่างแต่ว่าผักสายบางอย่างนะของปีใหม่หรือปีนี้ปีนี้เนี่ยมันก็ต้องนะก็ต้องมีทั้งสิ่งที่เป็นโลกรธรรมฝ่ายบวกนะเช่นได้ลาบนะได้ยศความสำเร็จนะหรือว่าความาการสารรเริญหรือความสุข แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นโลกธรรมฝ่ายลบมันก็ต้องมาพร้อมกับปีใหม่เหมือนกันนะเสื่อมราบเสื่อมยศนะหรือว่านินทาหรือว่าทุกต่อเราจอจะต้อนรับปีใหม่ทั้งทีเนี่ยนะหรือตอนรับปีใหม่ให้มันสมความหมายเนี่ยก็ต้องต้อนรับนะทุกอย่างที่เป็นของปีใหม่หรือปีนี้นะไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมฝ่ายบนหรือโลกธรรมฝ่ายลบไม่ว่าจะเป็นดีหรือล้ายสุขหรือทุกนะบวกหรือลบ แล้วถ้าเราต้อนรับทุกอย่างนี่นะมันจะช่วยทำให้ปีใหม่เนี่ยมันปีที่ดีจริงๆถ้าเรามีการเลือกที่รับมื่อที่ชังว่าโอ้ของดีเอาของดีรับของไม่ดีไม่เอาอะไรที่เป็นทุกอะไรที่เป็นความเสื่อมเนี่ยฉันปฏิเสธผกใสอันนี้แหละจะทำให้เราทุกข์มากเลยเพราะว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยนะมันมันเริ่มต้นบรรยากาศที่เราปฏิเสธไม่ยอมรับ หลักใสรักสุขนะแต่เกลียดทุกข์นี่มันสร้างปัญหานะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเกลียดทุกข์อย่างไรเนี่ยในเมื่อเราหนีทุกข์ไม่พ้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเกลียดมันแล้วเราเจอมันเราก็ยิ่งทุกข์หรือกลัวทุกข์เนี่ยนะไม่ว่าเกลียดกลัวหรือว่าโกรธก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเรามีความรู้สึกลบกำมันเนี่ยเราเป็นทุกข์ทันทีเลยนะเวลามีความ เสื่อมลาบเช่นของหายถ้าเราวางใจนะถูกนะมันก็หายแต่ของนะแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยมันทุกเลยและการวางใจไม่เป็นอย่างนี้นคือการที่เราไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราพยายามปฏิเสธมันไอการที่ทันทีที่เราปฏิเสธเนี่ยนะมันก็กลายเป็นหนาแหลมที่คอยทิ่มแทงเราหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ มีที่พลมาบีบคัน้นจิตใจเราได้ทั้งที่เราอยากผลักไสมันแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นยึดติดเราอยากจะผลักไสอดีที่เจ็บปวดนะสุดท้ายมันก็กลายเป็นโซ่พันธนาการจิตใจของเรามันไม่ใช่อดีที่เจ็บปวดบางทีปัจจุบันก็อาจจะเจ็บปวดได้เหมือนกันนะเจออุปสรรคเจอความยากลาบากนะเจอสิ่งที่ไม่สมหวังหรือว่าเจออารมณ์ นะที่เป็นลบที่มากระทบไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจเช่นความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยหรือว่าเสียงดังทันทีที่เราปฏิเสธผักสายมันนี่เราทุกข์เลยเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะไม่ว่าเสียงชนิดใดก็ตามแต่เราทุกข์ใจเพราะเราผลักสายมันเราไม่ยอมรับมัน ความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์แค่กายนะแต่พอไม่ยอมรับมันนี่มันทุกข์ใจเลยมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งทั้งที่ไอ้โรคมะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยคือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มันเกิดขึ้นกับคนที่อายุมากเธอก็แค่อายุสามสิบต้นๆนะแต่ว่ามารู้ว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มันก็นระยะที่สามแล้วมั ทุกมากเลยนะกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วก็กลัวสารพัดความรู้สึกประดังประเดมาแต่สุดท้ายเนี่ยพอเริ่มหันมาทำสมาธิภาวนาก็เริ่มเห็นเลยเห็นความจริงนะเห็นความจริงบางอย่างนะความจริงเกี่ยวกับทุกเธอบอกว่าเนี่ยไอ้ความจริงเนี่ยมันโหดร้ายความจริงโหดร้ายนะแต่ว่า การไม่ยอมรับความจริงนะโหดร้ายกว่านะเพราะว่ามันเป็นคุกนะขังจิตใจไว้ความจริงว่าฉันเป็นมะเร็งนี่โหดร้ายนะแต่การไม่ยอมรับความจริงอันนี้เนี่ยมันโหดร้ายกว่าก็คือมันสร้างทุกข์ให้กับจิตใจได้มากกว่าเพราะฉนั้นเนี่ยนะเมื่อเราต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่พ้นนะ อย่างแรกที่เราควรถาคือยอมรับมันนะยอมรับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าปล่อยใจนะให้เป็นลบผักสายวยวีตีโพยตีพายเพราะนั้นจะพิ้งริ่ๆเป็นการซ้ําเติมตัวเองในเมื่อมันเกิดขึ้นนะอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์และทําได้มากกว่านั้นคือหาประโยชน์จากมันนะซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวาน การที่เราจะรักษาใจไม่ทุกได้นี่ก็ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะแม้มันจะโหดร้ายมันจะเจ็บปวดอย่างไรก็เตือนใจอยู่เสมอว่าการไม่ยอมรับมันเนี่ยกลับยิ่งจะเป็นความโหดร้ายโดยทําให้เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นพอเรายอมรับมันได้เนี่ยนะเราก็ได้มีมีสตินะมาไข้ครควนหาทางแก้ยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะ จเจ็บป่วยก็ต้องรักษาแต่เราจะแต่หลายคนเนี่ยไม่สนใจที่จะรักษาเลยนะเพราะว่าเอาแต่ปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับนะมันก็เลยไม่มีกําลังไม่มีสติปัญญานะในการที่จะพิจารณาหาหนทางแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกว่าเราจะต้อนรับปีใหมท่ทีเนี่ยก็ขอให้ต้อนรับแล้วก็ยอมรับทุกอย่างนะที่มันเป็นของปีใหม่ หรือของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามันเป็นเป็นเรื่องลบนะก็ราาักษาใจไม่ให้ทุกข์เพราะมันแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ mm. เช่นเดียวกับอดีตนะเราก็ไม่ปล่อยให้มันทำลายเราแต่หาประโยชน์จากมัน mm. เแง่ขี้อย่างหนึ่งที่ควรพิจารณานะสําหรับการขึ้นปีใหม่นะัก็คือว่าปีใหม่แม้จะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้อง ยอมรับก็คือว่าเรากำลังใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเรากาลังใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเราผ่านพ้ to to and, นปีที่แล e ้วมาได้นี่ก็เก่งนะนะแต่ว่านั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยเข้าใกล้ความตายอีกหนึ่งปีเข้าไปแล้วเราลึกถึงความจริงข้อนี้เอาไว้อยู่เสมอนะเพราะมันกำลังบอกเราว่าเนี่ยเวลาเราเหลือน้อยลงละเวลาเหลือน้อยลง แต่ละวันแต่ละวันจึงมีค่ามากนะมันมีค่ากว่าปีที่แล้ววันนี้มีค่ายิ่งกว่าหนึ่งมกราเมื่อปีที่แล้วมีค่ามากกว่าหนึ่งมกราปีสองมีสองห้าห้าแปดนะมีค่ามากยิ่งมีค่ามากกว่าหนึ่งมกราสองห้าห้าเจ็ดเพราะว่าไอเวลาที่เรามีอยู่มัน เหนือน้อยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีโอกาสที่เราจะทำอะไรสิ่งต่างมากมายมันก็จะน้อยลงกว่าปีก่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพยายามใช้วันเวลาที่มีอยู่นะที่เราได้รับเนี่ยจากธรรมชาตนะิหรือว่าจากบุญบา ร, รมีที่เราได้สะสมเอาไวนะ้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่สิ่งดีสิ่งดีๆ ส, สิ่งมีค่านะที่เราอยากจะทำ ก็อย่ามัวผัดผ่อนนะพยายามเริ่มต้นทำนะเสียแต่วันนี้เนะสียแต่เดี๋ยวนี้สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนะคืออะไรสิ่งดีสุดในชีวิตคืออะไรนะก็อย่าผัดผ่อนนะทำเสียแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษากายดูแลรักษาจิตหรือว่าการทําความดีสร้างบุญสร้างกุศล าการให้เวลาคนรักการทําหน้าที่ที่ที่สมควรทำํำหลายอย่างเนี่ยเราก็ผักผ่อนนะเพราะเราคิดว่ามันจะมีเวลาแม้แต่สิ่งดีๆที่จะจะทำในปีใหม่นะเราก็อดไม่ได้ที่จะผักผ่อนไปปีต่อไปให้เตือนใจของเราอยู่เสมอว่าปีหน้าอาจจะไม่มีก็ได้นะปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายวันนี่จะเป็นวันสุดท้าย เมื่อเตือนใจเช่นนี้เนี่ยนะมันก็จะทําให้เราขวนขวายนะทําสิ่งดีๆจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตให้ดีให้ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะให้เวลากับสิ่งที่สําคัญในชีวิตเนี่ยเศรษตาวันนี้นะไม่บางอย่างมันไม่สามารถจะทําให้สําเร็จครบถ้วนนะภายในเวลาสั้นๆได้แต่เราทยอยทําได้เช่นเดียวกับารออกกําลังกายเนี่ยนะ บางคนเจ็บป่วยเนี่ยจะเป็นต้องออกกำลังกายก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องออกกำลังกายให้มันให้มันําเรไจครบท่วนภายในหนึ่งวันอย่างที่เรารู้กันนะเวลาออกกำลังกายไม่ต้องออกค่อยๆทํทำวันละนิดวันละหน่อยออกกำลังกายวิ่งหรือว่าเล่นโยคะหรือว่าบริหารกายวันละสิบนาทีหรือแม้แต่5นาทีก็ยังดีแต่ทาทุกวันทาทุกวันผวนทุกวัน ไม่ใช่เราไม่ใช่แบบเขาจะต้องหักโขมทําให้มันเสร็จภายในวันเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้กลับจะทําให้ตายเร็วมากตายเร็วยิ่งขึ้นนะก็ค่อ ย, อยทําการดูแลจิตใจก็เหมือนกันค็ค่อยทำก็ ค, ค่อยทำไปแต่ว่าข้อสำคัญคืออยากพักผ่อนนะ ท, ทําทีลนิตทีลนิตทีลนิตเนี่ยจากนั่งสมาธิห้านาทีทําทุกวันก็กลายเป็นสิบนาทียี่สบนาทีในที่สุด วิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยจากเดิม5นาทีต่อไปก็วิ่งได้สินาทีจากเดินครึ่งกิโลก็กลายเป็น1กิโลแล้วขยายไปเป็นสองกิโลและ10กิโลในที่สุดอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นสุขภาพใจก็เช่นเดียวกันนะมันก็ต้องค่อยๆทำอย่างอื่นนะก็เหมือนกันนะการให้เวลาคนรักก็ไม่แปลว่าจะต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีอาจจะเริ่มทำเทเนทลหน่อยหรือเพิ่มจากเดิมก็ได้ ก็ฝากเอาไว้นะสําสหรับการใช้โอกาสหรือใช้ประโยชน์จากปีใหม่นะแล้วก็ก็ถือโอกาสนะอวยพรปีใหม่นะนะโดยอ้างคุณพระศิริธนัตไกรนะขอให้เป็นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนและสร้างศรัทธาให้กับเรานะในการทําความเพียรให้ราลึกถึงพระคุณพระพุทธของอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะ เพื่อจะได้น้อมนําจิตใจของเราให้มีกําลังใจในการทําความดีให้ศรัทธาที่มีต่อพระตนัดไตรเนี่ยทำให้เราไม่ลดละในการบําเพ็ญความเพียรเพื่อสร้างคุณงามความดีและเพื่อมุ่งมั่นนะทำสิ่งที่ดีสุดนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเราให้สามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์เริ่มต้นด้วยการรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ในยามที่มี สิ่งลบมากระทบและรู้จักหาประโยชน์จากมันเพื่อให้ได้เข้าถึงความสงบเย็นเป็นสุขและสามารถบาเพ็ญประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งเข้าถูเข้าสู่กระแสแห่งควานิพพานและล่วงพ้นความทุกข์ได้ในเร็ววันด้วยเทิน